สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรค่ะวันนี้เนี่ยอ๋อก่อนที่จะมีคําถามโยมมีคําถามเจ้าค่ะก่อนที่จะพูดคุยเรื่องการตําหนิติดเตียนผู้อื่นให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะให้พระอาจารย์แนะนําช่องทางการเข้ารับฟังรายการธรรมะสบายๆด้วยเจ้าค่ะมีคนบอกว่า ตอนช่วงเปิดรายการเนี่ยฟังทีไรทีไรก็เจอแต่ขายของขายของตลอดเลยก็ต้องขายบ้างจนจนแทบจะแบบจำได้แล้วละ่ะว่าพูดอะไรบ้างนะเพราะนั้นก็จะไม่พูดอะไรมากหรอกก็เข้าไปที่ a ฟ e b o o k นะอีซิธรรมะไปเปิดดูแล้วก็จะ <laughs> <ม>รู้เองว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีโลโก้ของรายการธรรมะสบายสบายอยู่แล้วก็มีพวกลิงก์เสียงอ่านต่างๆก็ลองไปเปิดฟังดูแล้วก็ถ้า ฟังแล้วเนี่ยก็ตั้งใจฟังหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งหลับไปก่อนนะฟังให้จบพยายามฟังให้จบทั้งตอนนะไม่ใช่ว่าฟังไปฟังไปแล้วเกิดหลับไปแล้วก็ไม่ฟังต่อถ้าเรารู้ว่าฟังยังไม่จบจะไม่ได้ธรรมะนะคะพยายามฟังให้จบด้วยนะเนื่องจากในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการตำหนิติเตียนผู้อื่นก็มี ภาพมีข่าวให้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันอยู่เป็นประจำวันนี้เนี่ยก็เลยจะขออนุญาตพอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยจะขอยกคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาม า, เ, าเป็นคำสอนของท่านนะคะมามาก่อนเพื่อที่จะนำเรื่อง การตำหนิติดเตียงเนี่ยมาพูดคุยกันในวันนี้นะค ะ, ะท่านบอกว่าการตำหนิติดเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราถถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสังสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวทต่อความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเองเป็นคำสอนที่ดีมากเลยน ะ, ะจริงจริงแล้วไม่ใช่ว่าเห็นแต่ในโทรทัศน์เห็นแต่ในหนังสือพิมพ์เห็นแต่ใ น, น, ห, น, ในหรือว่าได้ยินตามวิทยุหลอกเรื่องการตีเตียนนะ ติดเตียนมนอยู่ทุกที่เลยนะใช่จ้าค่ะอยู่ที่บ้านก็อยู่นะอยู่ที่ทำงานอยู่บนรถเม์อยู่บนรถส่วนตัวอยู่ในห้องอาบนา้ำอยู่ในห้องนอนอยู่ทุกที่เลยแหละการติดเตียนเนี่ยทีนี้การติดเตียมันมาได้ไงล่ะแล้วก็ลองดูสิว่าอะไรเป็นสายเหตุทำให้คนเราถึงติดน้นติดนี่ติดนั่นกันนะ เพรายอมว่าน่าจะเป็นการที่เราเพ่งโทษผู้อื่นการดูดูในสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วไม่ถูกไม่ถูกจิตถูกใจมากกว่าเจ้าค่ะนั่นแหละคือความมันไม่ถูกใจเรานะอย่างที่เราเคยว่ากันมาแล้วเนี่ยตอนที่แล้วที่เราว่าเอามาตรฐานเนี่ยตามความเป็นจริงมันถึงจะดีแต่ส่วนทั้งกวนานี้เราเป็นมาตรฐานตามใจนะตามใจเราตามใจเพราะฉะนั้นใครทําถูกใจเราเนี่ยก็เป็น เรื่องดีไปใครทำไม่ถูกใจเราเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ดีไปแต่ทีนี้มันก็จะมีอย่างที่ว่าเขาทำถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะแล้วก็ทำไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็มีทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนอย่าง เ, เช่นเขาทำผิดศีลไหมหรือเขาเราเอาตัวอ ก, กุศลกับกุศลที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็มาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็เราเราก็จะเป็นตัววัดเอาไว้บรรทัดตัวนี้แหละเป็นตัววัดนะถ้าเกิดก็ทําเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยก็ถือว่าเขาทําไม่ดีนะพระเจ้าก็ไม่สนเสรินนะพระเจ้าก็อ่าบอกว่าอากุศลทั้งหลายเนี่ยก็ให้งดเว้นอย่างในที่ท่านตรัสเนี่ยตอนที่ว่าพิกษดเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ย ในวันมาฆะนะท่านก็แสดงโอวาทปฏิโมกก็คือแสดงหลักการสอนแสดงหลักของพระพุทธศาสนาให้กับเหล่าหมู่ของสาวกเนี่ยที่จะได้เอาไปเผยแพร่กันต่อไปก็คือว่าไม่ทําบาตรทั้งปวงก็คือไม่ทําอกติส่วนทั้งต่างนี่แหละแล้วก็ทําความดีให้มันถึงพร้อมแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือทำจิตใจให้หองใสนี่แหละเพราะฉะนั้นศา ส, สนาพุทธนี่นะเน้นทางด้านจิตใจมาก เะนั้นจุดหมายปลายทางก็คือว่าไปถึงตรงที่ว่าใจต้องผ่องใสด้วยทีนี้เราก็วกกลับมาถึงที่ยมแมอพูดถึงคําสอนของพระอาจารย์มั่นเมื่อกี้นี้ที่ว่าเราตําหนิการที่เราตําหนิใครเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีจริงๆก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่ขุนวในใจเรานะทีนี้ก็อย่างที่พูดไปเนะมื่อกี้คือ ศา ส, สนาพุทธเนี่ยเน้นลงตรงที่จิตใจนะแล้วก็ไม่ใช่จิตใจของใครหรอกจิตใจของเราเองเราก็ไม่ต้องไปดูใจคนอื่นหรอกมาดูใจเราเนี่ยแหละเวลาเขาทำไม่ดีเขาทำบาปมันก็เป็นส่วนของเขานะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูเราเห็นเราได้ยินเสียงแล้วตรงนั้นเนี่ยมาทำให้ใจเราขุ่นมัวเนี่ยโอยมันไม่ถูกต้องแหละใจเราเนี่ยได้ยินกด็ดีหรือ ได้เห็นก็ดีมันต้องทําให้ใจเราผ่องใสสิชีวิตเราถึงจะมีกําไรนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทําดีหรือเขาจะทําไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นไปแต่ทีนี้การที่เราเนี่ยจะอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันแน่นอนทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งมั่งแหละถ้าเกิดเขาทาเรื่องไม่ดี ทำเรื่องที่มันเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยแน่นอนใครๆก็ไม่พอใจใครๆก็เห็นว่าเขาทำไม่ดีทีนี้แต่สิ่งถ้าสิ่งที่เขาทำไม่ดีเนี่ยมันก็คือสิ่งไม่ดีนะมันเป็นไม่ดีของเขานะแต่จยเอามาเป็นไม่ดีของเรานะการที่เราว่าเขาบ่นเขาหรือว่าทำร้ายเขาเนี่ยเราก็ทำในสิ่งแล้วก็ได้ทำในพูดคิดหรือว่ากระทาเนี่ยในสิ่งไม่ดีไปด้วย เพราะฉะนั้นเขาทําไม่ดีแล้วเป็นเหตุให้เราทําไม่ดีไปด้วยเนี่ยโอยไม่ถูกต้องแหละอันขาดทุนขาทุนขาทุ น, ท น, ทนเพราะฉะนั้นเขาทําไม่ดี <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็ทําดีของเราต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําแต่ว่าในในสังคมปัจจุบันหรือว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะลืมสังเกตไปแหะเจ้าคะ่ะว่าเวลาที่เราว่าคนอื่นหรือว่าเราวิพากวิจารณ์ก็ตาม ทั้งๆงที่เราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเน่ะจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเจ้าคะ่ะมันก็มันก็มันปากนะคะพระอาจารย์มันแบบเวลาพูดไปเนี่ยยมเคยเคยกลับมาดูตัวเองก็เราก็เหมือนกับเราก็อินไปกับเรื่องนั้นด้วยคือสมมุติว่าข่าวเสนออะไรออกมาสักเรื่องหนึง่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การตําหนิกันเราก็อ่าเป็นเป็นในทางลบอนะคะคือคือคนนั้นเขาเป็นผู้ผิด เขาเป็นอย่างนี้อย่างงั้นพอคนมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็มีการวิจารณ์กันเออใช่นะมันเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เราก็เหมือนกับคือถ้าเรากลับมาดูใจตัวเองนี่โอ้โหสะทกสถานมากเพราะว่าเราขาดทุนไปมากๆเลยอะ่ะคือเราฟังแล้วเราก็ตัดสินไปในแบบข้อมูลที่เขาให้เรานะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วข้อมูลตามความเป็นจริงเราก็ไม่มีเลยนะอย่างเช่นเราดูข่าวอ่ะดูข่าวหรือว่าดูเฉพาะบางช่วงบางตอนเนี่ย ซึ่งบางทีอย่างหนังหรือรายการหลายๆร า, ายการเนี่ยเราก็เราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเป็นม้วนเดียวแบบไม่ติดต่ออ่าไม่ไม่ไม่ได้ตัดเลยนะมันก็จะตัดช่วงนั้นช่วงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้นะซึ่งชีวิตจริงคนเราเนี่ยมันก็เหมือนหนังพวกนี้แหละที่ว่ามันเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ตลอดอนะตลอดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็จะเห็นเป็นบางช่วงบางช่วงที่ที่เขานําเสนอ หรือว่าที่เราไปได้ดูได้เห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วในส่วนที่เราไม่ได้เห็นคือช่วงนั้นเราก็ไม่มีข้อมูลที่จะเอามาพิจารณานะแล้วการที่เรามีข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนนะ่ะก็ทำให้เราอาจจะเอาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยประมวลแล้วมันก็ผิดจากความเป็นจริงไปและสิ่งที่เราทำได้นะก็คือว่าถึงมันจะเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ ก็เอามาเป็นตัวอย่างเป็นกุฏาหอนว่าถึงมันจะไม่ดีมันจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ทําแล้วเราก็วางใจว่าปล่อยไปเลยไม่ดีใช่ไหมเราก็ไม่ต่อแล้วแหะเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วถึงมันจะเป็นบทสรุปที่ว่าเขาไม่ดีจริงๆนะเราก็รู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่ต่อแล้วละ่ะใครจะมาพูดเรื่องนี้เราก็ฟังไปถ้ามันจะต้องต้องฟังนะแต่สําคัญคืออย่าปล่อยให้ใจเราเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งที่ คนภายนอกเนี่ยกำลังพูดไปเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เสนอแง่คิดนั้นแง่คิดนี้เนี่ยที่มันทำให้ใจเราขุ่นมัวเนี่ยเราก็เครียกเบรกใจเราซะไม่ปล่อยใจให้เราไหลไปตามเสียงอานานันนะั้นใชค่ะมันก็เหมือนกับขาดความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกวิพากวิจารณเพราะว่า แท้ที่จริงแล้วตัวคนพูดในสังคมทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไปตัดสินยกตัว<น>อย่าง<ค> น, นะนนนยกตัว อ, อย่างเหมือนคนทะเลาะ ก, กันนะสมมติว่ า, าคนทะเลาะ ก, กันปุ๊บแล้วเราก็เห็นเข า, เาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาลงตาม u t u b e ลงตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่ ง, งถ้าเรามองเนี่ยมันก็จะเห็นว่า ใครเป็นผู้ถูกกระทําเนี่ยก็คนนั้นเนี่ยเราก็สงสารเราก็ตัดสินไปแล้วลตอนที่เห็นภาพเห็นภาพปุ๊บเนี่ยคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ดูไม่ดีอะคนที่ถูกฝ่ายฝ่ายที่ถูกกระทําเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เราก็จะคิดว่าคนเนี้ยเป็นฝ่ายที่ท่านสงสาร้คนฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนทําผิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองในชัดนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราเรียกว่ามองให้มันกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงเนี่ย มันอาจจะเป็นหนังคนละมวลก็ได้นะสมมติว่าไอ้ช่วงที่เราไม่เห็นคลิปอันนี้หรือว่าช่วงที่มันไม่ได้ถูกการบันทึกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าคนที่โดนทําร้ายเนี่ยอาจจะไปแกล้งเขาก่อนหรือไปด่าเขาในเสียงเสีหาจนเขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นภาพไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาสืบสวนสอบสวนกันให้ดีลึกๆกระหว่างเคสทะเลาะ ก, กันอย่างเช่นอันนี้นะเจ้าค่ะเราก็ อาจจะไปได้ข้อสรุปตรงนี้ว่ามันก็สมน้ำสมนำเนื้อกันทั้งคู่นั่นแหละอาจจะผิดทั้งคู่อะไรเงี้ยซึ่งอย่างเคสสิ่งเงี้ยเราดูข่าวไปเนี่ยเราต้องวางใจของเรานะไม่ให้ใจเราเนี่ยปล่อยไหลไปตามสิ่งที่เราเห็นซึ่งถ้าเราคิดให้มันกว้างขึ้นอีกสักนิดนึงว่าเอ๊ะเหตุอะไรเนี่ยที่ทําให้คนมันทะเลาะ ก, กันได้ล่ะอ๋อคนทะเลาะ ก, กันได้นะมันจะต้องมีใส่ความไม่พอใจใส่กันอนะ คนนี้ด่ากันคนนี้เหน็บกันพอไอ้คนนี้ไม่พอใจก็เริ่มมีปฏิกิริยาพอมีปฏิกิริยาก็ใส่ในสิ่งที่แรงแรงขึ้นไปอีกไอ้คนฝั่งนี้แรงมาฝั่งนี้ก็แรงไปมันก็ต้องมีเป็นประมาณนี้แหละไม่งั้นคนมันทะเลาะกันไม่ได้แล้วมันก็ไม่จบนะเจ้าคะ่ะใช่แล้วทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะเราพอเป็นบุคคลที่สามเนี่ยเราก็อย่าเอาเรื่องเนี้ให้มั น, มนเป็น สิ่งที่ทําให้ใจเราเนี่ยมันขุนมัวหรือว่าใจเราเนี่ยมันโดนพวกความคิดไม่ดีหรือว่าอาย่างไงล่ะหลงเชื่อความโมหะความหลงในความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันครอบงาใจเราเพราะถ้าเราทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันฝึกนิสัยฝึกนิสัยให้ใจเราเนี่ยโดนโมหะครอบงําไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ฝึก การที่จะโยนิสโสมนัสิกาก็คือการกระทำไม่ได้ใจโดยแยบขายเราก็จะโดนกิเลสเนี่ยมันครอบงาได้ง่ายๆเลยเพราะเราไม่ได้ฝึกพวกนี้แหละดูกันง่ายๆนะคะในในชีวิตสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นอ่าหลายๆคนคงจะลืมมองไปในเรื่องของจิตใจซึ่งพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย สอนจิตใจสอ น, สอ น, หนให้ใ ห, ใหเ้เรื่องจิตใจเนี่ยเป็นสำคัญใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคนเวลาเห็นภาพข่าวแบบนี้ที่พราจะยกเมื่อสักครู่หรือว่าการดูละครก็ตามละครในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออผัวผัวมีเมียตบตีกันแย่งชิงกันอิจฉาริษยากันแล้วคนที่ดูเนี่ย ส่วนมากก็จะอินเพราะว่าตัวตัวละครที่เล่นเป็นนางอิจฉาเดินตลาดก็ก็ลำบากช่วงหน้าทุเรียนก็จะลําบากนิดนึงแทบจะอยากแม่ค้าอยากจะเอาทุเรียนไปอย่างเงี้ยนะเจ้าคะนี่แสดงว่าเรตติ้งของละครดีมากเลยเขาขายได้พวกดาราก็ได้ค่าตัวเยอะแต่ว่าจิตใจของคนดูเนี่ยมันก็เสื่อมลงทุกวันสิเจ้าคะคือหัวใจทุกดวงเนี่ยนะมันก็อยู่ภายใต้การครอบงําของกิเลสเนี่ย ก็จะยกเว้นเฉพาะเหล่าพระริยาเจเท่านั้นแหละที่กิเลสเนี่ยไม่สามารถมาผู้ยี่ผู้ยำดวงจิตได้ก็มีพระอรหันตสาวกหรือพะระปัเจกพระพุทธเจา้าหรือพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเหล่านี้นี่กิเลสไม่สามารถผู้ยี่ผู้ยำจิตใจได้เลยไม่ครอบครอบงำใจไม่ได้ทีนี้จิตใจนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นยังจะมีจิตใจที่มีกิเลสอยู่แต่ก็จะมีเบาบางบ้า ง, างใน พระอริยบุคคลนะพวกพระโสดาบานันพระสกิทาคามีพระนาคามีเป็ตนต้นเหล่านี้นี่ก็จะมีกิเลสในใจเนี่ยโดนขัดกลาร์ออกไปแล้วแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็ยังมีกิเลสครอบใจอยู่โดยที่ถ้าเป็นปุถุชนที่ได้มีการฝึกหัดธรรมะอยู่บ้างเนี่ยกิเลสในใจเนี่ยก็จะโดนควบคุมไว้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยโอกิเลสในใจนี่ก็ เต็มที่แหละมีอำนาจเต็มที่เพราะฉะนั้นโดยมากแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่ได้โดนควบคุมไม่ได้โดนกําจัดไม่ได้โดนตีกรอบไวไ้หรอกแต่เราก็ทําไปด้วยอำนาจกิเลสท้งนั้นแหละทุกๆวันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําเนี่ยก็คือก็ก็ต้องทํามาสนองกิเลสนะเพราะกิเลสมันอยู่เหนือใจอยู่ตอนเนี้ควบคุมใจอยู่เพราะฉะนั้นเวลามันจะเสนออะไรเนี่ยมันก็ต้องเสนอตามเจ้าของอนะเจ้าค่ะ เจ้าของเป็นกิเลสก็ต้องเสนอตามกิเลสแต่ถ้าเกิดเราเสนอธรรมะกับกิเลสกิเลสก็ไม่เอานะเป็นตน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอในทุกวันนี้เราก็นําเสนอตามกิเลสนั่นแหละเพราะว่ากิเลสมันเป็นเจ้าของดวงใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าข่าวดีๆมันดูแล้วมันไม่ไม่มันอ่ะไม่มันในใจนะหรือละครที่ว่าโอ้คนนั้นทําดีคนนี้ทําดีดูแล้วใจเราก็รู้สึกจืดชืด แต่กลับกลายเป็นเรื่องว่าโอเ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีคนอื่นเป็นเรื่องที่ทำให้ราคะมันเจริญทำให้โทสะแล้วมันฟุ้งพลาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันสนุกมากพวกนี้นี่มั น, ม น, นดีมากเลยขาย<ะ>ดีมากเลยขายดีเรตติ้งจะดีนะคะอยอมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดว่าในกรณีแบบเนี้ยนะคะคือเหมือนกับว่า เราจะวิจาร์เราไม่ควรจะไปตําหนิติเตียนผู้อื่นแหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะพูดถึงใครหรือว่าพูดถึงความผิดของใครหรือว่าจะไปชี้ว่าเขาเป็นผู้ผิดผู้ถูกหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยยมคิดว่าถ้าสมมติเอ่อมันจะขัดแย้งกันไหมระหว่างความจริงในสังคมกับด้านจิตใจนะจ้าคะอย่างเช่นอ่าคนที่ทําผิดพระเจ้าเนี่ยสอนให้เป็นคนมีเมตตานะมีเมตตา คือเราต้องดำเนินอยู่บนธรรมะนะอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันเวลาใครทำอะไรผิดเนี่ยสมมติว่าเราทำผิดเนี่ย้องคิดดูว่าเราทำผิดเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรล่ะเราอยากให้คนมาซ้าเติมเราไหมเราก็อยากให้อภัยเราอยากให้ใครมาด่าเราไหมเราอยากให้ใครมาซ้ำเติมเราไหมสมมติเวลาเราทําอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยเวลาคนมาซ้ำเติมเราเรารู้สึกยังไงเวลาคนที่มากะแนกะแนเราเรารู้สึกยังไง เราก็รู้สึกไม่ดีเพราะฉะ น, นั้นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นนะแล้วสิ่งที่เราต้องการล่ะเราต้องการกําลังใจเราต้องการโอกาสเราต้องการให้คนให้อภัยเราเราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกับคนอื่นอย่างนี้แหละเพราะเขาก็ต้องการอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คนนี Whit ้ทําไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนกันแต่ตักเตือนนี่นะก่อนจะตักเตือนคนได้เนี่ยพระเจ้าก็ต้อง พระเจ้าก็บอกว่าเวลาจะตักเตือนใครนะเราต้องตักเตือนด้วยจิตที่เป็นเมตตานะถ้าจิตยังไม่มีเมตตาเนี่ยเราก็ยังยังรองเราไว้ไก่อนเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยอย่างเช่นเรารู้ว่าเขาทําผิดเราก็โหตวาดใส่ด่าใส่ทั้งๆที่ไม่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องจริงนั่นแหละแล้วเป็นสิ่งที่เราพูดน่ยก็เป็นสิ่งที่มันถูกต้องแต่เราเลือกใช้คําที่มันสแสหลงหูแล้วก็ใส่อารมณ์ลงไปเนี่ย เันมันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เราคิดนะเราอยากให้อะไรมันดีขึ้นแต่เราทําในสิ่งที่มันไปประกอบไปด้วยเมตตา<ม>สายอารมณ์แรงๆไปด้วยโทสะแล้วกเ็เลือกใช้คําพูดที่มันทิมแทงเขาเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เราอยากจะได้น ะ, ะถ้าเรากลับการเรามีเมตตาเตือนด้วยแบบความหวังดีอย่างเงี้ยมันก็เอื้อกันใจเขาพูดง่ายคือเราพูดด้วยถ้อยคําที่มีเมตตาเป็นถ้อยคําที่อ่อนหวาน เป็นถ้อยคําที่มีประโยชน์เนี่ยคนฟังเนี่ยเขาก็เย็นใจพอเราได้ใจจากเขาเนี่ยเราอยากให้เขาทําอะไรเนี่ยมันก็ง่ายล่ะทีนี้อยากให้เขาทําดีขึ้นเขาก็ค่อยๆปรับปรุงเราก็ต้องมีเมตตาลนะมันคงไม่ได้ทําแบบว่า ป, ปรับได้หรือว่า ป, ปรับเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีเมตตาให้เขาใช้ใช้เขาหรือว่าพัฒนาเขาเนี่ยในแบบศักยภาพที่เขามี อันน้มันมันจงจะถูกนะสมมติว่าศักยภาพเขาเนี่ยเขาทําได้แค่ ง, งานง่ายๆเนี่ยเราจะไปใช้เขาทํางานยากๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแหละเพราะฉะนั้นเราต้องอดูศักยภาพของคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเราจรึงจะ อ, อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขทีนี้พอมีความสุขเราก็ไม่ค่อยอยากจะนินทาใครเราก็ไม่อยากตะเตียงใครหรอก ใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์ที่ว่าเราไม่พอใจเขาทําอะไรไม่ถูกใจเราเนี่ยนะสิ่งหนึ่งก็คือกิเลสมันก็คอยกระตุ้นเราแหละเวลาเราเจอใครเราอึดอัดเราอยากจะพูดแล้วมันก็เก็บกดนะเขาเรียกว่าเก็บกดเราก็อยากไอ้ความอึดอัดความอัดอั้นอยู่ตรงนี้มันเป็นทุกข์ในใจเราสิ่งที่เราทําคือเราก็อยากจะระบายมันออกเพราะเราไม่ชอบอาการของใจเราอย่างนี้หรอกทีนี้ วิธีแก้ของเราคือเราคิดว่าการได้พูดในสิ่งที่มันไม่ดีของเขามันเป็นการระบายอารมณ์ตรงเนี้ยเราออกไปทําให้ใจเราสบายขึ้นซึ่งมันระบายออกไปได้หน่อยหนึ่งแต่สิ่งที่มันเติมเข้ามาเนี่ยมันมากขึ้นอีกมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าระบายของเก่าออกไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ของใหม่ที่เรากาลังพู ด, พ, ด, พ, ดพูดไปเนี่ยหรือว่ากาลังทำทำทไปเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอุปนิสัยให้ใจเราเนี่ย คิดไม่ดีคิด ต, ตนติําำหนิคิดติดเตียนมองคนนี้แง่ร้ายแล้วเราก็จะไม่หลุดจากวังวนตรงนี้ไปได้สักทีหนึ่งสิ่งที่เราควรทำนะเราก็ต้องมีวิธีใหม่โดยที่ไม่ใช่การบ่นและไม่ใช่การติดเตียนให้การว่าว่าใครแหละสิ่งที่เราควรทำก็คือก็ต้องเปลี่ยนใจเราเขาทำไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเขาควรจะแก้ตรงไหนแล้วเรา มีศักยภาพในการทำอะไรได้บ้างสมมติว่าเราเป็นเจ้านายเาเป็นลูกน้องเนี่เราใกล้ควนดูสีว่าเราใช้เนี่ยเขาทำงานได้ตามอย่างประสิทธิภาพที่เราวางไว้ไหมแล้วเราประเมินศักยภาพของเขาเนี่ยถูกต้องไหมใช้งานตรงกับประสิทธิภาพศักยภาพที่เขามีไหมถ้ามันมากไปสิ่งที่ไม่ใช่เขาผิดแล้วละ่ะเราเนี่แหละผิดเอง เราไปตั้งค่าเขาไว้เองนะใช่ใช่พื่ง่ายคือมันเป็นความทุกข์แบบที่ว่าหวังแล้วไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันผิดหวังอ่ะเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ทีนี้โดยมากแล้วเนี่ยเราไม่ได้สอบสวนจนเห็นต้นตอจริงๆหรอกพอเราสอบสวนดูกันจริงๆนะต้นตอมันไม่หลุดมาจากไหนหรอกอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละใจเราเนี่ยพอสืบไปสอบมาถึงเขาจะผิดก็จริงนะแต่เราสืบสวนดีๆเนี่ยคนที่มันเป็นต้นตอของความผิดก็คือเรานี่แหละไม่ใช่ใครหรอก ใช่เจ้าค่ะคือสรุปว่าการตำหนิติเตียนเนี่ยอย่างไรแล้วก็ไม่ดีคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปติเตียนร่วมกับคนอื่นเลยมันก็จะไม่ทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวไปด้วยถูกต้องแต่ถ้ามีการพูดถึงหรือกล่าวถึงคนอื่นโดยที่เราไ ม, ไม่ไม่รู้ความจริงก็จริงจแล้วเนี่ยบอกว่าเรื่องไม่ดีคนอื่นนะก็พูดให้น้อยๆ อ, ยอยหรือว่าถ้าพูดเนี่ย ก็พูดแบบไม่พิสดารไม่แจกแจงโดยพิสดารหรือถ้าไม่พูดเลยก็ดีนะแล้วก็เรื่องดีของเขาเนี่ยเราก็เอามาพูดให้มากๆหรือว่าท่านใช้คําว่าเอามาแจกแจงโดยพิสดารเอาแค่เอาแค่คําพูดแค่ตรงนี้นะมันโอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไปปรากฏผลในใจเราเลยนะคือใจเราเนี่ยไม่มีนิสัยที่ไปเพิ่งโทษใคร พอไม่เพ่งโทษใครใจเราก็ไม่มีโทรสะไม่ขุ่นมัวแล้วกับการที่ว่าเรามองเห็นแต่ข้อดีเลือกที่จะมองข้อดีของเขาแล้วเราก็เอามาแจกแจงโดยพิจารณอีกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้ยเขามีดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้ทำดีอย่างนั้นทำดีอย่างนีน้ทำให้เราไม่มีจิตที่มันเป็นขุนมัวกับเขาเรามีจิตที่มันเอื้อเฟื้อกันเพราะเราเห็นเขาในแง่ดีนะโ้แค่แค่คาพูดแค่นี้แหละถ้าใครทาได้นะมันดีมาก มันดีมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่ไปพูดให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาตัวเราเองก็ในใจก็มีความสุขด้วยแต่เรานะแต่เราไม่ใช่เพิกเฉยต่อความผิดนะเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วเราก็ก็อย่างที่ว่าเราไม่ซ้ําเติมใครแต่สิ่งที่เราทําคือ เ, เขามีข้อดีอะไรเราก็เอามาพิจาราก่อนพอใจเราไม่ขุนมัวเนี่ยพอสิ่งที่เขาทําพลาดสิ่งที่เขาทําผิดเราก็ามาเขาเรียกว่าเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไข ทำอะไรให้มันดีขึ้นช่วยอะไรเขาได้บ้างทำให้เขาทำในสิ่งที่ผิดน้อยลงแล้วก็ทำที่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันดีมากขึ้นนี่แหละต้องมีเพื่อนอย่างนี้นะเราเนี่ยอยากต้องหาเพื่อนอย่างนี้เข้าไว้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องทำตัวเราเนี่ยให้เป็นเพื่อนอย่างนั้นด้วยแล้วเราก็ต้องทำตัวอย่างนั้นเนี่ยคือหาเพื่อนอย่างนั้นคือหา เรียกว่าฝึกเราเนี่ยให้เป็นเพื่อนแบบนั้นเนี่ยกับเราด้วยเจ้าค่ะงั้นการตาหนิติเตียนผู้อื่นเนี่ยเราจะมีอยากให้พระอาจารย์แนะนำท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยว่าเราจะมีวิธีฝึกตนเองอย่างไรในในเบื้องแรกหรือว่าในขั้นต่อๆไปเพื่อทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขนะเจ้าค่ะคือมันไม่พ้นอะไรคำว่าสติไปได้นะ อย่างน้อยๆต้องมีสติก่อนมีสติว่ารู้ว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่แล้วเราเพูดสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มันผิดกับมรรคแปดไหมล่ะมรรคแปดนะในข้อสัมมาวาจานะพูดคําหยาบไหมล่ะพูดสอดเสียดไหมพูดเพ้อเจ้อไหมเป็นต้นนะพูดที่เขาแตกกันไหมล่ะอย่างเงี้ยพูดสอดเสียดนะพูดที่เขาแตกกันอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องการตําหนิติเตียนมันก็ อยู่ในขายนี้เหมือนกันเอาคนนู้นมาว่าคนนี้เอาคนนี้มาว่าอย่างนี้ซึ่งอย่างเราเออกข้อดีของคนอื่นมาพูดนะสมมุติว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้อีนโนเอเน่เลยนะแต่เราโดนเขาฟังคนนี้พูดทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเลยเขาก็มีคติไปกอดหน้านี้แล้วละ่ะทําให้เนี่ยเป็นข้อไม่ดีเลยของการพูดไม่ดีนะแล้วก็เราก็ต้องสํารวจนี่แหละว่าเราเนี่ยพูดในขายพวกนี้ไหมก็มี พูดคำหยากพูดเพื่อเจอร์พู ด, pressure, พดส่อสเสียดอะไนี้เป็นตน้นอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติเนี่ยคอยดูสํารวจเราไม่ใช่สํารวจเฉพาะคําพูดนะต้องสํารวจความคิดด้วยว่าต้องดูไปที่ใจด้วยนะเจ้าค่ะง่ายคือต้องมีสติรักษาใจเราอย่างเดียวเลยว่าใจเราเนี่ยอกัสรเกิดขึ้นเนี่ยมันโผล่ไปทางปากไหมอกัสรเกิดขึ้นเนี่ยมันโผล่ไปทางความคิดไหมหรือว่าอากัสรเกิดขึ้นแล้วมันเผลอไปทํำไหมอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น พยายามพยายามรักษาใจเราเนี่ยให้มันจิตใจเนี่ยเป็นกุศลให้ได้เพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นกุศลได้เนี่ยหนึ่งมันต้องหัดคิดดีหัดคิดให้มันไม่เบียดเบียนใครหัดคิดให้มันไม่ไปอไม่พยาบาทใครแล้วก็ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงได้นะโอ้ยมันดีมากอืม เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะซึ่งโยมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากยากอยู่มากพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกไม่ได้รับการฝึกฝนมานะจะเพราะนั้นเราต้องมาฝึกธรรมะกันแหละธรรมะฝึกง่ายง่ายอยู่ที่ลมหายใจเรานี่แหละฝึกธรรมะที่ลมหายใจเราอย่างที่เคยว่ากันไปในหลายตอนแล้วแหละว่าเราก็ฝึกไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอก ขอให้มีสติอยู่สมาสตินะแล้วก็ฝึก ใ, <ช>ให้มันเกิดได้บ่อยๆนี่แหละโดยที่ก็ไม่ได้ฝึกอะไรมากขอแค่ว่าเราเห็นลมหายใจเราได้บ่อยๆนี่แหละมันก็จะค่อยๆเห็นขึ้นมีพัฒนาการเห็นใจมากขึ้นรู้ว่าใจเราเนี่ยมันไปเป็นกุศลหรือมันไปเป็นอกุศลแล้วเราทําพูดคิดไปด้วยอํานาจกุศลหรืออํานาจอากุศลเนี่ยพอเราเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วแหละว่า อ่าเมื่อกี้เป็นกุศลเกิดขึ้นนะอ่าทำ อ, าอ่ากุศลกำลังเกิดขึ้นนะติดเบรกไว้ก่อนองนี้เป็นตอนถ้าเราเริ่มที่การสํารวจจิตใจตัวเองการสํารวจตัวเองก็คงจะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ใ ช, ใ ช, ใช่สังคมที่ดีก็คือมาจากจิตใจที่ดีนี่แหละเพราะว่าถ้าจิตใจมันร่าร้อน มันก็ทำแบบร้อนร้อนคิดแบบร้อนร้อนแล้วก็พูดแบบให้มันร้อนร้อนนะเจ้าค่ะแต่ถ้าจิตใจเราเยียกเย็นมีเมตตากันเนี่ยมันก็โลกมันก็ร่มเย็นสังคมก็ร่มเย็นมาจากเรานี่แหละมาจากจิตใจของทุกๆคนเนี่ยที่มีธรรมะที่มันเย็นนะเจ้าค่ะเป็นใจที่เย็นเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะธรรมะอยู่ข้างๆเราธรรมะ อยู่ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเป็นที่มาของรายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเรื่องของการตำหนิติเตียนแล้วเราก็เริ่มที่จะไม่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะผิดก็ตามแต่เราหันมาสำรวจจิตใจของตัวเองว่า เราวันนี้เราขาดทุนหรือว่าเราได้กำไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตดิชันอารยาสุวิเศษศักด์พร้อมกับพระอาจารย์สุชาติลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นพร